คนนิมนต์ไปพอพอดันไปได้ก็ขอเราให้ไปไปทั้งโยกทีนึงฮะโยกทีสถันตรงตรงคูณเศษทีอย่างนี้เท็จเราก็ไม่เคยอยู่บ้านเค้านิมนต์เราก็ไม่เคยไปมันเราครอบคนมันก็ครอบเพื่อนมันครอบเกลื้อทํางาน ถามได้โทษลูกทีจะถามห้างค้าญาติโทษหืมว่ามันไม่ถึงแค่นั้นน่ะแล้วอุปธรรมปฐะวันนี้ไม่มีวาจานอกจากธรรมมันก็ผ่านไปมีคนแก่ๆอายุ 50 60 ผู้หญิงที่ไปน่ะอีกทางมีเรือนคนขับรถคนเดียวประมาณ มันก็มี 2 คนรถโกต่อนั้นมีแต่ผู้เย็นผู้เย็นนี่ก็อยากมาอ่ะอย่างว่าอยู่ 50 กินไปอาจารย์นั้นนะนี่พออาจารย์ก็ถึงมันต้อง 3:00 น. กว่าแล้วทางเก๋เลยแล้วก็เมื่อยก็ตั้วเรียกพักไปพักก่อนนั่นแหละวัดทายเขากัน ถ้าถ้าว่าจะหามันฉันตั้งแต่เช้าหมดนี้ฉันถามเราหาไว้ถามเค้ายื่นทหารออกไปตัดทหารได้แล้วนี่ว่าเนาะออกไปมันใครจะใครบ้างจะขึ้นเขาวันนี้คนฉันก็จะขึ้นฉันก็จะขึ้นอันนี้ก็คนจะขึ้นทั้งหมดทั้งนั้นอ๋อไปกับพวกนี้ก็บ่ตายแล้วนี่ค่าประมาณประมาณถึงแล้วเราก็ย้อนถามมันเอาว่าท่านล่ะ เป็นแม่งอ๋อมันดูเวลานิก่อนว่าการขึ้นขึ้นคนขึ้นก็ไม่ขึ้นว่านั้นดิพอพละปานแล้วนะก็เจอดูวัดก่อนมันไม่เห็นว่าพอมาดึกประมาณออกอันนี้สุขภาพร่างกายเตรียมแล้วนั่นน่ะอบาดอะไรเพราะว่านี่อยู่ว่าแล้วดูลงมาลงไปไม่พอเห็นแล้วก็มัวแต่รับทานแล้วก็จะไปคิดอะไรมองลงลงลงแล้วลงขึ้นไป เอาละถึงเถิดเข้าก็ขึ้นมีผู้ตีท่านนั้นคนนึงก็ไปสังเกตไว้ถามว่าเรายอมพระธรรมว่ามีพระขึ้นไปได้อย่างไหนบอกพอขึ้นไปแล้วว่านั้นนี่ไปไปคงเดียว 1 ชั่วโมงกว่าถึงหลังถึงที่สถานที่เลยทหารไปชั่วโมงที่ 5 ทีเป็นอย่างได้ชั่วโมง 30 นาทีทุกทหารมีข้อถามอีก ประชากรนั้นทั้ง 2 โทมาน 31000 นะครับไปช่วงนึงเดียวอืมคอยสักพักพอเขาแล้วก็คอยกับเขาพอแล้วแล้วดูอะไรขึ้นประมาณจิตมันไม่ออกจากตัวนี้ขึ้นไปเมื่อไม่มีไม่ค้าไม่เคยหยุดที่ไหนมันก็ไม่เมื่อนั้นคืออะไรมันเปลี่ยนการเป็นชั่วโมง เพราะท่านนี่คนที่รักษามันโดยเพราะบัตรเนี่ยก็เลยมาปล่อยรับครับสีหานมันต้องนะพระตาของเจ้ามันรอเป็นเป็นผิดปกติเราดูเขาความรู้นะแต่เขาดูเรารู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูตัวเราเรามองเรารู้เขาดู ถ้าว่าเป็นคนเป็นดังในโลกก็ยังว่ามีคิริตต่อกันกําลังไม่สนใจผมถามมันตามมาประคองว่าที่มือคือมาที่มือมาคนเดียวเราบอกนั้นมีใครมาด้วยไม่มีตัวลงล่างมาที่หลังพูดง่ายๆธรรมดามองดูกันเอามองดูกันดิเท่านั้นก็ได้ มันมานำสถานของนี่หน่อยนะนี่ก็ช่องพลเทศนครเมืองหนึ่งอ่ะป่าแล้วก็มันได้ละอ๋อที่ดูนี่หมายที่นี้นี่ที่ที่ไม่ลืมที่มันทับเต็มนี่ก็คือว่าอยู่คร้ําคําก็คือ มีซานิไม้มีอะไรหมดระวังนะไม่มีการขํารพถ้าทั้งน้ําในห้องก็ไม่มีแหล่งเก็บน้ําไหลไปเลยเปิดเปิดหมดนี่เห็นไม้นี่แกะไม้จุดว่ามีนะแกะให้มีแต่ไม้จุดนี่อันนึง 1 เป่าอันนี้ก็จะอะไรปูอะไรต่างๆ เป็นพุทธะเอาพูดค่ะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดในทางนั้นผมพูดเฉพาะอันนั้นก็เป็นส่วนมากนะต่างนี้รูปะพุทธะอันนี้เพราะว่าคําหลังเพราะเนี่ยคือว่าพระคําพูดสําคัญมากมีกรรมความก็ประมาณว่าอาจารย์มันเป็นพระธรรมดาอันนี้ผมผมก็เฝ้ากําลังมาเถอะผมไม่เคยถามนะ นี่กระเป๋าของปู่เนี่ยมันคงชยแล้วมันคงตายท่าตําแหน่งเนี่ยข้างบนยกมานั้นคือว่ามีเท่าไหร่เต็มหมดไม่ก็ต้องทํางานนะในประชุมนานนี่ผมก็คราวนั้นก็ไปมาดูโดยลําพังของเรานะครับ คืนนี้นั่งพักอาตมาหาอารมณ์จะลงไปเที่ยวที่ไหนก็ไปทําภาคพุทธอาหารนอนน่ะก็ดีไม่ใช่เที่ยวแล้วไปมีสบายไม่มีผู้คนมายุ่งควรจะไปไหนก็ได้นะเดี๋ยวเองก็ทํางานคืนทํางาน มันน่ะเอาความเกี่ยวกับกับใครไม่ต้องคาดความเชื่อเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นหนานะไม่ทุกข์ในปุถุชนก็ไม่เคยถึงใจที่จะขอให้มาช่วยอืมโชคโหรานี้เนี่ยกลัวตายมันไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีแต่ทางนี้เลยก่อนมันกลัวมากกลัวตายทุกข์ค่าจะป่นกลัวมากทุกวันมันเปลี่ยนไป ความมันทั้งหลังมันมันไม่เคยเป็นสนใจมันต้องเป็นมันตายสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักดอกมากแล้วยังไงจิตมันก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดพิจารณามันอยู่มันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันทีนี้ธรรมดากาลเวลามันจะหนีจากจิตนั้นได้ความสลายจากกันมันก็ตายความเห็น กลัวที่ปลายทั้งเครื่องของควรจะทําให้ขวนขืนทุกข์มีรับความว่ามหคุณต้องการปฏิบัติที่ดีคือเต็มในธรรมะทั้งกี่โดยที่ทําให้สงบสันติไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้าเท่ากันไม่มีความกล้าไม่มีธรรมะกลัวในความไม่ถูกมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดารู้ๆเวลาทุกข์เกิดขึ้นแล้ว เห็นมันจะพกปัดเข้าทางนี้เข้าทางนั้นการส่งกําลังสงบไม่ไปมันจะพกหาอะไรมันต้องไปหาความช่วยเหลือนี้ก็เลยมาช่วยยิ่งเป็นน้ําตาอืมทุกข์เคยกันทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปดับนี่มันไม่ดับมันจะตามมันก็ไปอยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยแล้วก็ตายก็ยังไม่ใช่หรอก จะช่วยกันได้แล้วโลกของโลกนี้ก็มีปัญหามันเป็นความยากไปทุกอย่างอืมการพิจารณามันก็น่ะที่มีเต็มมากๆนะก็ที่ไปงานก็แก้ชีวิตอาการคนไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกนะแต่เวลาพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันก็เกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับ มันหัวใจซึ่งเป็นแล้วก็น้อยหน่อยเหนื่อยเพลียงไปเพลียงกันเพลียงตอนมันก็เอากําลังข้างนอกมันก็หมดกําลังก็ไม่รวยอย่างเงี้ยเมื่อนั้นอ่อนไปแล้วอันนี้มันไม่กําลังอะไรมันทํามากทําทุกแต่ความรู้สึกมันมีเป็นเพียงกําลังที่จะยกตัวแขนมีอาหารเช้าอะไรเหมือนกันก็ไม่คิดว่าจะยกแล้วมันไม่อ่อนเลยอย่างนั้น Me jep kan dybkan, te segue. Jajspe solite drop Nu harten thema respuesta? Sakumat, she met. In turn the dawn of sun if Tpa соon then? What? Saku di sin snarian. One ha finals ram. You could have termost aktar txanala not only tpant Pandora i shi chndo선 อ่าทุกเวลาเกิดขึ้นนานนี้ติดกันเนี่ยยากออกไปนั้นหรือเพราะงั้นจึงไม่ต้องคังให้ใส่เปื้อนแม้แต่บทอรรถบทธรรมคติทางข้อใดที่จะไปเตือนมาให้พิจารณานั้นเนี่ยคนเลยบอกว่าอย่าไปเตือนนะน่ะแล้วไม่ประมาทธรรมไอ้ที่กําหนดที่พิจารณาที่ทํางานนั้นก็คือทําอยู่แล้วอย่างเป็นตัวยิ่งเป็นธรรมที่บอกสมกับในเวลานั้นด้วยทําอื่นก็จะเข้าไปเย็นทําใหม่ ทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้ตัวเลยอ่ะพอถึงเวลาถึงนั้นขึ้นต้องการความสงบเงียบที่สุดแม้ใครมาเกี่ยวข้องอะไรให้ทําหน้าที่ของตัวตามความจําเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจําเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาพอมันหมดความจําเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายแล้วมันก็หมดปัญหาหมดความจําเป็น อยากให้เพื่อนได้รู้และเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นระยะหน้าตลาดแห่งมรรคนิพพานก็คือพุทธสัตตนาบุคุรวัสนะคือตลาดแห่งมรรคนิพพานณนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมรรคเมื่อสรุปความนี้คือมรรค สัมมาสติสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาทิฏฐิมีเวลาเจริญมีเวลาพิจารณาการพิจารณาเป็นกําลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทํางานอย่างอื่นสัมมาสมาธิสัมมาสติตั้งสติ นั่นการที่พวกคุณมาให้มีความติดต่อกันทุกครั้งสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งไปเป็นต่างๆทะเลทรายออกไปข้างนอกศูนย์อื่นๆในเวลาที่จำเป็นอันนี้มันมียากถ้าคุณปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วประมาณปัจจุบันจะมีประมาณก็ 5% คือมีความรู้ความเป็นนั้นหลังแล้วไม่ค่อยมีสายถึงนั้นเราก็ไม่สนใจต้องขอให้บ้างโรงไปเราควรรู้ความเห็นจิตตึกของหมู่จิตจะเป็นเรื่องอะไรเค้ารู้ถ้าสงบจริงๆนะมันก็ขาดไปพอนี้เด่นขาดพอทําปูนความต่างทั้งหมดเหลือแต่ความรู้เรื่องรู้นั้นพอก็ขาดเลยครับภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟัง ยากหาอย่าหมายเวลากระทําทําไว้ถึงปฏิเวลาเป็นขึ้นมามหาวิ่งรับกันเองก็ทําที่ครั้งที่แสดงไว้แล้วตัวแยกตัวนี้ให้ถูกกันหรือมันเป็นสัญญาไม่ใช่ที่ทําให้มันขาดจากกันหรือความหมายว่าขาดกับขาดจากกันจะการกระทําเพื่อให้ขาดจากกันนั่นมันก็ไม่ขาดจากกันตัวเอง <c oughs> หลักปัจจุบันการบังคับสติด้วยสติสกัดรับท้อนด้วยปัญญานั่นชื่อว่าผู้รักษาตนผู้ป้องกันตนผู้บำรุงตนจะเป็นทางสมาธิทางปัญญามีสติเป็นพื้นฐานสําคัญมากขาดสติไม่ได้ เรายก 1 เรานิ้วเลยต่อน้ําของสติกับปัญญากิเลสจะหมอบลงได้เพราะพลอำนาจของสติกิเลสจะขาดตรงนั้นหน้าแต่นั้นที่มานี้ก็พลอำนาจของสติและปัญญาเนี่ยนี้ได้เคยดําเนินมาอย่างนี้นี่จะยกขึ้นปุญญะภุตตัณหาคือตลาดแห่งมะบุญนิพพาน ตลาดมรรคผลนิพพานมันเต็มมาเท่าไหร่ท่านนําอรหัตตระหันโสดาปัตติกาคามนาคอรหันออกเพิ่งออกจากพระศาสนาเป็นเพิ่งปลุกให้ตื่นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศธรรม 2 โลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานนั้นด้วยมรรค ความคิดนำที่ปัญญานี่เป็นอย่างไรตลาดของโลกเขาเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตั้งแต่ประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกินไปเต็มกระทั่งตลาดโลกเต็มด้วยสินค้าทั้งการซื้อขาย เงินไปตู้รถไปซื้อมันก็ไม่เงินจําหมดซะก่อนตลาดเขามีมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องชูสําหรับคนที่จะเชิญคนที่ต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเหตุไกลของพุทธศาสนาซึ่งออกมากับพระพุทธเจ้าคงโดยสิทธิ์เต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องชูจากพุทธศาสนาทั้งโดนมีอย่างเหรอ นี่ศาสนามรรคผลนิพพานคือภิกขุศาสนานี้กับภิกขุนิพพานขึ้นมาก็คือมรรค 8 คําว่าภิกขุศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่อมยังมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในฉะละอ่ะเพื่อศาสนานี้เพราะอํานาจถึงมรรค ตถาปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอพุ่มลงไปกําลังเราใช้ในนั้นใช้หนักมากแล้วทําท่าเพลืองด้วยกามารมณ์ที่เราใช้กําลังมนต์ษาธรรมงานนั้นนั้นหนเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกําลังมากมายสติปัญญาพลันไปช้าหมดมากมายเราจะนํามาช้า เพื่อความเพียรของเราพึ่งลงไปด้วยกําลังร่างกายกําลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เต็มไม่เต็มน้อยทําไมจะไม่ปรากฏมรรคนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือปุพพตัฏฐนาด้วยอํานาจแห่งมรรคหลักนี่นี่เป็นปุริสัตตนาเป็นภาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยว่าไม่ขาดสินค้า ทรงบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับฉลาดของโลกพระหลายแห่งพุทธศาสนาทรงบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพระศาสนาทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องฝึกขึ้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทําให้มัชฌิมา ปฏิบัติฐานขมูลคนมีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางปฏิบัติอันรู้โดยสติเพียรทั้งทางปัญญาผู้พิจารณาเพียรทั้งจะทําปฏิคคหะมีความโลภด้วยสติธรรมมาสติคือรู้รู้อยู่ในวงแห่งกตตังนั้นว่าสติ ให้รู้ในที่ 4 สถานออกกายเวทนาปิดธรรมมั้ยอืมพากันหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าไปขาดการสถานที่นู่นที่นี่ย่ำเวลาให้เสียเวลาประสังค์ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวรูปปฏิบัติให้เสียเวลามันคุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาเพื่อปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ด้วยนี้งานนี่ก็ทำของพระพุทธเจ้าแล้วความด้่นดำมาทำลายความเปลี่ยนทั้งหมดมาทำลายกำลังใจความด้่นความดำความขาดความหนานั้นก็เป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งมันก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นก็ไม่มีงานมันหลอกประมาณนั้นนะอืมเห็นกับมีเฉพาะสมัยนู้นก็สมัยนู้น คนบางบางเท่าไหนคนที่เหล็กหนานะครับมันเป็นไปนั้นใครไม่หักไม่แบกที่เหล็กมาเกิดมีหรือไงขนาดหรือบางมันก็เต็มหัวใจเท่ากันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องว่าตัวต่างคนต่างหากที่เหล็กมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นภาวะนี้เป็นภาวะเป็นสัตว์เป็นคนไม่ได้นี้เป็นข้อยืนดังว่าทั้งปฏิปทานบรรดาสาวทั้งหลายณทุติยะลงไป ท่านก็มีอยู่แล้วว่าพระภิกษุมันปิดมืดกันมันอมตะเลยมันเป็นคลุมมืดมิดปิดตาทําไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุแต่เมื่อมืดมิดปิดตาล่ะนี่ที่เรียกเป็นคลุมมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจของบางท่านนี่ระวังหนาก่อนนะ รูปคําคําเพราะว่าความไม่แน่นอนที่เรียกถึงปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทําไมท่านทําละได้ด้วยวิธีการไหนถึงได้ชมมรรคผลนิพพานกายกันตลาดแห่งสมรรคผลนิพพานขึ้นมาในทางพุทธกาลมากมายกากก่อนทุกวันนี้ตลาดนี้มีตลาดเค้าๆแล้วไม่มีสินค้าถึงมรรคผลนิพพานเหรอมีข้อหลายๆ ถ้างี้นี้ไม่มีพรรคศูนย์พันเพยเฉยหรือว่าไม่มีพรรคไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อยยอถ้าจะสุกเอาเผาจริงสมัยนี้นี่เรียนลับรับกันกันหาทางออกไม่ได้ ทางลัพธ์ใดก็สมเหมือนมรรคนาก็มีนี่คือทางลัพธ์ทางประโยชน์แน่ต่อพระผลนิพพานมีนาที่เป็นนาพิจารณาให้ท่ําต่อยาเป็นสําคัญหมายว่าพิจารณาครั้งนี้แล้วแล้วครั้งที่ 2 แล้วแล้วพิจารณาจนเข้าใจ เรื่องอะไรหลายครั้งแล้วมันเข้าใจเองต้องพิจารณาค้างเดียวแล้วจะเข้าใจพอมันเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่นี้ส่วนมากมันเข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจอืมธรรมงามท่านสอนอย่างนั้นแล้วตัวของเรานี่ก็เป็นตะหลาดต้องพนมอยู่แล้วต้องคิดขึ้นมาที่ศีลธรรมอันล้ําค่า มรรคผลให้สื่อโลกกตละนั้นน้อมเราก็อยากได้นี้ที่ไหนไม่นอกปัดกวาดทิฐิทั้งละทั้ง 3 ชั้นน้ําให้จิตใจที่ตนด้วยความเพียรมีและสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสมถะเสมอต้องมีตบวิจารณ์กับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่วิเวกฐานะ แต่ให้จิตให้อ่านใจซองไม่มีสติสังสังสําหรับความเพียรหมุนติ้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสละจุดที่จะทําให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแยกวิปัสสนานี้ออกได้โดยสําหรับเรื่องความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรนะครับผมนี่ไม่สงสัย เรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีในจะสูงไปแน่ใจอยู่กับตัวขาของธรรมนี้ไมไม 100% ไม่ลอกเหนือไปจากนี้เลยว่านั้นไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลใดทรงมีอํานาจวาสนามากดขี่บังคับขีดกันให้ผู้บําเพ็ญโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีนอกจากทุกข์กับตนไทย ที่เป็นกั้นปิดบังหรือกั้นกลางทางเลยของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคอย่างนั้นมีทั้งเราธรรมะมรรคเราก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเครื่องดุบเบิกถอดถอนสิ่งที่เราครอบครองภายในจิตใจให้ออกให้เปลี่ยนโลกด้วยอํานาจของสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอืมอันนี้เป็นผู้ดุบเบิก ทุกขมุขังเป็นเครื่องติดบังครับผมมีปาฏิสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเสี้ยงอยู่เบิกนิโรธคือผลแห่งความดับทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอานาตของมรรคที่ทําลาญได้ผลไปเป็นลำดับแสดงถึงความดับทุกข์นั้นเป็นขั้นๆนะนั่นคือนิโรธจะทําหน้าทํางานเป็นอย่างทุกข์จะทําหน้าทํางานก็เหมือนกันเรื่องของสมุทัยเป็นทุกข์ แต่ทุกต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝั่งมรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้ฮีโร่แสดงตัวออกมาในทางดอกทุกข์นี่นี่เท่านี้หลักนี้เป็นทั้งไรเชื่อปกุริตเจ้าเป็นเชื่อที่ตัวนี้อย่าไปเชื่อกลางนึ่งสถานที่นี่ที่นี้จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจและทําให้มันอ่อนแอท้อถอยทั้งหมดความเพียร มันหมดความเพียงราบปะปโยคบุรุษหรือโมฆะพิเศษหาประโยชน์อะไรไม่ได้งั้นไปบวชมาเพื่อความสิ้นท่าความหมดราคาก็บวชมาเพื่อเพิ่มมูลคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องปิดดับให้สุขสวยงามสง่าผ่าเผยสงบเย็นเย็นสว่างประการแเส้งภายในจิตใจทั้งหากแล้วท่านมาเพื่อความสิ้นท่า เราต้องพากันตั้งใจไปพระพุทธปฏิมาทีนี้ติดตามเราคลุมลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเพียรของเราให้ลดน้อยถอยห่างไปและจะเป็นการข้าต่อนักผมมีทางที่เราจะทุนได้ถึงตามเจตนาของพระเชื่อผมพุทธเจ้าให้เชื่อตรงนี้ เพื่อขัดธรรมแต่ไม่ชอบแล้วท่านนั่นพวกนั้นผมเอานิยานิการธรรมดำเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่กลับไม่ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็คือเครื่องบอกนิยานี้กะนำสิ่งสกปรกสมารสิ่งที่เป็นข้าสึกกิจัยออกไปได้โดยเป็นกระทิสิ่งที่สึกนิมุตติธรรมนั้นออกเหงาไปจากใจดวงนี้กับความเย็นสงบคืนนั้นหลับมีความ กราฟิกอย่างอื่นอย่างใด 500 เลยอ่ะแล้วเรื่องเรื่องทางนี่ก็คนหงวดกาวบอร์ดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหงวดกาวบอร์ดจับสุญญานอืมมีงานนักธรรมในธรรมจักรกปว่านี้พยายาม โพธาธิกะเลยมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตะกะเตนะอภิสัมภูตานี่แหละที่ถูกทั้งหลายอึดทางนั่นเองนะมัชฌิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อทางกระแสนี้สักกุกะญายะนี่เป็นไปเพื่อจักขิญาณงาก็สักกุเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้ง จักฝึกใคร่นำยาก็มีจะต้องไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณจักขอกันนานแล้วกันนั่นเรียกว่ามโนทายะมฐานะและสัมมฤทธิ์เกินไปเพื่อความ อหุตเป็นไตรเพื่อทําให้ป่านี่อายังโคตสร้างทําไมบอกว่าอายังคนนี้น่ะอายังคนนั้นน่ะอืมจะพาให้เป็นมรรคผลนิพพานอายังการนั้นอายังสถานที่นี้ไม่ดีนะนี่อายังโคตภาพที่เขาเรียกมัชฌิมานั่นเหมือนกันทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาทุกข์ ทางที่ประกอบด้วยองค์แก่นนี้แลนี่จะเป็นปลายของความลึกแจ้งของจิตในธรรมทั้งหลายตอนนี้ดําเนินขึ้นในน้ําหนักแน่นในความเพียรลงที่ภาคความหวงตายให้เห็นสักผักเมื่อความรู้ภายในติดที่แรกอาศัยการฆ่าการว่าฆ่า ด้วยสัญญาก่อนว่าเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังยังไม่ทํางานต้องอาศัยสัญญาเป็นซึ่งวาดภาพมาก่อนแล้วปัญญาเข้าใจตามประดังนั้นต่อไปเมื่อปัญญากําลังพอทรงตัวได้หรือมีกําลังแก่ค่าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกตําหนวดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญา พุ่งพุ่งพุ่งพลุพลุพลุพลุไม่ต้องไปหาตนหมายคือตั้งกับท่านเดิมดับจึงเป็นท่านลมลูกผู้ขานคือว่าสมาธิย่อมอัปปัญญามีการอนุทุกข์ขานเพราะความไม่ทํารานความไม่เคยรู้ไปเห็นความไม่เคยทําทั้งหมดมีความทั้งนี้ทํางานทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลําดับโดยลําพังตัวเอง <c feud al proposals> เมื่อท่านเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดขึ้นประทับใจแน่เชื่อตัวเองนะสันทิธิโกเราเป็นผู้เห็นเองทําไมต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นๆน่ะสันทิธิโกอกาลิโกมีการฐานที่ที่ไหนมาบังคับบัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีฐานที่เมื่อเวลาอะไรทั้งหมด มีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่เพื่อกําลังของความเจ็บทั้งหลายปัญหามีเท่านั้นท่านเน้นน่ะจิตใจนี้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลานักคนที่มีกิเลสฝึกธรรมไปนู้นไปนี่สมัยนี้มันมักคนมันมีทางอะไรว่าไปตามความมืดก่อนยังไม่ได้เอา พวกหมู่บอดมาแสนำกระฉามนี้ขอจะผนมตามดงป่าของพวกบ้าหูนวดตามบอกแก่นายยึดพุทธธรรมธรรมังสังฆังท่านนำกระฉามนี้เป็นชีวิตที่ใสทั้งการดำเนินของเราทั้งหาเราจะไปเชื่อไขให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนแล้วสําหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่มีผิดหวังทางการดำเนินตรงนี้ นี่แหละตลาดมันรับผลได้อยู่ตรงนี้นี่แหละสถานที่พิจารณานี้เหมือนตลาดเมื่อปรากฏผลขึ้นมาเป็นนักเป็นผลอย่างนั้นสินค้าอันล้ำค่าปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อมาสร้างถึงอารัตผลนี่คือสินค้าชั้นเอกและนอกเหนือมรรคปรัชญาจิตนี่แหละ นี่ก็เราสินค้าของตลาดของพระพุทธอพุทธแห่งของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องดินอย่างท่าทานาเช่นเดียวกับตลาดของหมู่โดยทั่วไปซึ่งเค้ามีวัตถุต่างๆสินค้านานาคณิชมาโชว์กันเป็นตลาดเห็นอย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาที่ได้ถ้ามี เสร็จแล้วจะทําให้เหมือนเหมือนเหลือเท่าต่างกันมากเพราะสินค้ามันมากอืมธรรมะของอุปปาทะหรือว่าพุทธศาสนามันยากก็เหมือนกันเราพลาดลงไปความเพียรนี้เราเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วขึ้นมาเกิดผลดีอะไรก็คือก็เพียรมาแล้วพยายามเลยก็พยายามปฏิปันนาเคยตั้งกับอะไรมาเป็นให้หล่อหลานพอใช้มามากแล้วที่เราจะท่านสัมมัฏฐาเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นข้าสุขสําคัญในภาระกิจ มาเพียรที่ตรงนี้จะพุ่มเพียกําลังลงทั้งกําลังความสติปัญญากําลังการทุกด้านทุกทางเพ่งทั่วลงไปที่จุดนี้มันเป็นการดําเนินงานคือเป็นผลปัญญาเมื่อเป็นการดําเนินงานแล้วก็เป็นผลของการทํางานที่มาให้เราได้ผลตามอนุตเนี่ยได้ชมตลาดของพระนิพพานอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ ตระหนักอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นรูปมโนให้ได้ฉุดในการขึ้นปฏิบัติเราแนวรักของพระพรเปลี่ยนให้มีความเข้มแข็งให้ใช้ธรรมทิฏฐิปฏิปันดาไม่ว่าคิดนอกกายผมเตือนผมดูอยู่เสมอว่าเพราะมันขวางตาอยู่นั่นน่ะด้วยจริงๆมันขวางแนวทางภูมิศึกษา ไม่ถามน่ะสิคุณคุณเป็นเป็นหน้าหม่วนทําไมจะไม่บอกเรื่องสอนมันขวางให้เห็นไงทําให้ขวางก่อนแต่ว่ามันมันถูกฟังแล้วมันไม่ขวางทําให้ถือแล้วมันก็ขวางทําที่ขวางก็เพราะความโง่ของตัวนั้นเองสอนให้เห็นอย่างแค่นั้นครับทําทั้งเรื่องนั้นไปเอาอะไรทํางานอะไรให้มันแน่นอนให้ถึงผ่านยากหักนิสัยเราเลย เฮยตัวปัจจหังลังกาเป็นลักษณะจากจิตกระสมุธรรมะนี้เป็นขึ้นเป็นอางหาผลปลุกไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้มันเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเนาะหักที่ขึ้นตัวเองเข้าไม่ได้จิตอนาคตเป็นสาหัสคุณบ้างพอเป็นที่อย่างไรไม่มีมีแต่ความหลอนแหละไม่จริงไม่จังทั้งนี้ก็มีนี้ ทำให้คือแห่งนามเรามรรคผลนิพพานโสนาปฏิมาสัจฉิทาธรรมอนาคามิมรรคสระหัตถมรรคโสนาปฏิผลสัจฉิทาธรรมผลอนาคามิผลอหังทุกขผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะปรากฏขึ้นมาจากใครข้างเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาขอให้พากันฝึก เอาเป็นก็เป็นตามภาษาถวายสุหาภิกษุเจ้าจะทําประสงค์เป็นชีวิตที่ใช้ที่มีคุณค่ามากเป็นคําแทนที่มีคุณค่ามากให้มีอะไรเสียหายเอ 3 เพียงตามข้อนี้ซึ่งป่วยให้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง